บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไประยะแห่งกรรมฐานส่วนที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็เพื่อจะเป็นหลักในการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของบุคคลที่ มีลักษณะตัณหาจริตอย่างอยากปัญญาอ่อนตัณหาคืออาการตะเยอทะยานอยากดิ้นรนของใจไหว้คว้าปรารถนาสิ่งต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของตนนั้นถึงสังเกตว่าก็มีลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆบางอย่างก็เป็นตัณหาที่ออกจากละเมตดละไมประนีต คนนี้พึงดูตัวอย่างเช่นความอยากได้ของบุคคลบางพวกต้องการมีที่ดินครอบครองมากบางคนก็ไม่สนใจในเรื่องเหล่านั้นต้องการบ้านสวยๆงามๆบางคนก็อาจจะต้องการเครื่องลายครามบางคนก็อาจจะต้องการพระพุทธรูปของเก่าโบราณเป็นต้นซึ่งลักษณะความสนใจที่แตกต่างกันสิ่งที่บุคคลให้ความสนใจ มีความหยาบและความประณีตแตกต่างกันนั้นเป็นการวัดถึงพื้นฐานทางใจของบุคคลว่ามีตันหามากหรือมีตันหาน้อยแต่สรุปว่าความต้องการเหล่านั้นทั้งหมดแม้ความรู้สึกชื่นชมในความสุขที่ตนเจะพึงได้ในสุคติโลกสวรรค์ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของตันหานั่นเอง เป็นเพียงตัญหาที่ประนิตขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อจะขัดเกลาจิตใจของบุคคลซึ่งประกอบด้วยตัญหาแต่มีความหนาบางแตกต่างกันเช่นนี้พระบุตรีพระภาคเจ้าก็ทรงสแสดงหลักในกายานุปัสสนาสติปัญฐานประธานที่ลดหลั่นกันลงมาถ้าหากว่าบุคคลระดับทั่วไปตัญหาจริตแรงกรากจะจริง แต่ไม่จะถึงกับมากมายนักกว่าจะสายหลักเพียงนาปานสติกรรมฐานหลักการตั้งสติ ล, ลึกในอริยาบทใหญ่และอริยาบทน้อยที่เรียกว่าสัมปชัญญปะปภะก็ได้แต่บางครั้งบางคราวตัณหาที่เกิดขึ้นมีความปักใจฝังใจในวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสฝทธาพที่ยังลึกลงไปเป็นการยากที่จะคลายออกมา ก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่เจาะลึกลงไปในส่วนของวัตถุกรรมที่บุคคลกำหนดหมายว่าน่าคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในแง่มุมต่างๆดัานั้นการแสดงให้บุคคลมองดูอาการ32ที่เรียกว่าผมขนเป็นต้นและแยกร่างกายของคนออกเป็นธาตุก็เกิดขึ้นซึ่งก็ใช้ได้สำหรับบางคนอีกเช่นเดียวกัน เพราะบางคนตันหามีความรุนแรงมากกว่านั้นเลยก็มีกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งที่ทรงใช้ในที่นี้ว่านวสีวสิกาปภะคือหมวดที่ว่าด้วยป่าช้าทั้งเก้าเป็นการสอนให้บุคคลเหล่านั้นเป็งพินิจดูซากศพซึ่งปรากฏในที่นั้นๆในสภาพที่แตกต่างกันออกไป ทรงจำแนกสภาพศพซึ่งนำมาใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานในที่นี้ไว้9ประเภทด้วยกันที่จริงศพ9้าประเภทนั้นก็เป็นศพที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหลังจากตายไปแล้วผ่านการเวลาไปตามลำดับซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าซากศพคือคนที่ตายไปแล้วเริ่มพองเริ่มเหม็นแล้วก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ได้ตามลำดับจนถึงก็เป็นกระดูกที่ขาวอยู่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาหาความจริงในส่วนนี้ได้แต่จากการสังเกตในหลักฐานต่างๆในพระจัจบิสด ก, ก็ดีในส่วนของอัตตกถาก็ดีกรรมฐานนี้จะใช้น้อยคือใช้สอนบุคคลทั่วๆไปน้อยท้งนี้เป็นเพราะอะไร เพราะสัญชาตญาณของบุคคลนั้นมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่มีความกลัวจัดอยู่ไปเจริญกรรมฐานที่มีสภาพเช่นนั้นแทนที่จิตใจจะสงบอาจจะฝันหนีดีฝ่อตกใจฝันก็เจิงวิ่งหนีไปเลยก็ได้ ดังนั้นจึงส่งแสดงไว้สำหรับกลุ่มคนพวกหนึ่งเท่านั้นเองและเท่าที่ใช้ในการประพฤติปฏิบัติก็สำหรับพระประเภทที่ไม่กลัวผีซึ่งสามารถจะเรียนรู้กรรมฐานเหล่านี้ได้กับบุคคลประเภทที่ยากต่อการจะถ่ายถอนความหลงยึดจิตในกามาคุณคือใจที่ไปปักไปกำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อย สัมผัสนั้นน่าจับต้องเป็นต้นแต่สาหรับบุคคลประเภทนี้บางคราวพระพุทธเจ้าก็ต้องประทับอยู่ด้วยเพื่อช่วยเหลือไม่ให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเพิ่มความขาดกลัวให้สูงขึ้นเช่นทรงใช้สอนพญาติของพระองค์สามท่านด้วยกันคือพระนางรูปปั น, นทาอาภิรูปปันฐ า, าและพระนางนันทา ซึ่งแต่ละท่านเป็นสตรีที่มีความสวยงามมากจนในชื่อวันันธาที่แปลว่าเพลิดเพลินของใจแม่อายุท่านจะมากแล้วไปบวชเป็นภิกษุณีอยู่แล้วแต่ว่าความหลงรูปความมัวเมาในรูปและถูกความมัวเมาในรูปครอบงามใจก็ไม่อาจที่จะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ พระบูมีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้กรรมฐานแนวนี้เป็นอุปกรณ์ในการสอนท่านเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ประทับอยู่ด้วยโดยเมื่อท่านเหล่านั้นเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงใช้รูปนิมิตเป็นสตรีที่มีความสวยงามกว่าท่านเหล่านั้นหลายเท่าเมื่อท่านทั้งสาซึ่งได้ทรงแสดงธรรมโปรดต่างกรรมต่างวารรคกัน มีความสนใจในรูปเหล่านั้นจนผ่อนคลายความหลงในรูปของตัวคือเปรียบเทียบเห็นได้ว่ารูปนี้เป็นนี่กว่าสวยกว่าตนรูปนี้งามกว่าตนเป็นต้นได้แล้วก็ทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปเหล่านั้นไปโดยลำดับและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือจากวัยสิบ5้าสิบหกปีมาถึงวัยร้อยี่สิบปีในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ท่านทั้งสามนั้นมองเห็นความจริงแห่งชีวิตแห่งรูปที่ไปมัวเมาไปกำหนดหมายกันจบว่าสวยว่างามนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ตกอยู่ในสภาพของซากศพและซากศพเหล่านั้นก็สรงให้เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกลายเป็นกระดูกซึ่งก็เป็นการสร้างอุปกรณ์ในการเรียนกรรมฐานขึ้นมาแในขณะเดียวกัน อาศัยพื้นฐานความกลัวที่มีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับอยู่ด้วยแล้วคอยให้สติตักเตือนไปตลอดในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานสวรนี้จึงมีวิธีการที่ออกจาวิจิตพิสดารเจ่นว่าการจะไปเจริญกรรมฐานส่วนมากก็ต้องไปในป่าชา้า สมันี้เราหาภาพเช่นนั้นไม่ได้เราไม่มีการทิ้งซากศพอย่างในสมัยโบราณหลักการในการปฏิบัตินั้นท่านบอกว่าจะต้องเข้าไปในป่าช้าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกคนอื่นซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นให้รู้ว่าตนเข้าไปเจริญกรรมฐานอยู่ในสถานที่นั้นเวลาเดินไปห้ามเดินไปเหนือลมและห้ามเดินไปใต้ลม โดยท่านอธิบายไว้เนี่ยแต่กระถาว่าถ้าเดินไปเหนือลมอมนุษย์จะไม่พอใจถ้าเดินไปใต้ลมตัวเองจะถูกกลิ่นของซากศพรบกวนจะถอยกลับมาเสียก่อนให้เดินไปข้างๆเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็ให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆศพโดยไม่ใกล้เกินไปจนกลิ่นรบกวนแต่ไม่ไกลเกินไป จนมองภาพเหล่านั้นไม่ชัดอารมณ์คือตัวซากศพที่นํามากําหนดหมายนั้นในกรณีที่ยังเป็นศพใหม่ๆอยู่แล้วก็มีข้อแม้ว่าผู้หญิงจะมองดูซากศพผู้ชายไม่ได้ผู้ชายจะมองดูซากศพผู้หญิงไม่ได้จะต้องมองดูซากศพของเพศเดียวกันและการมองนั้นเขาเรียกว่ามองปริเชต คือมองเป็นจุดๆไปไม่ให้มองตลอดทั้งร่างแล้วก็เพ่งพินิษพิจารณาดูที่ซากศพนั้นนี่คือหลักในการปฏิบัติซึ่งเจอพบว่าเอาก็จริงแล้วในปัจจุบันก็หาอารมณ์กรรมฐานในลักษณะนี้ยากนอกจากจะไปพบอุบัติเหตุในที่บางแห่งหรือน้อมนึกเอาด้วยจินตนาการหรืออา จ, จะหาเอาภาพต่างๆมา รือไปขอโครงกระดูกมาจากโรงพยาบาลเป็นต้นมานั่งพิงพินิพพิจนาดูในการพิจารณาดูนั้นเฉพาะในส่วนของป่าช้าทั้งเก้าทรงสอนให้เริ่มต้นจากซากศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันแต่จะต้องพองขึ้นมีน้ำเหลืองปรากฏมีกลิ่นออกมาแล้ว แล้วให้ยืนเพ่งพินิษพิจารณาดูซากศพเหล่านั้นหรือจะนั่งก็ได้กรรมฐานกลุ่มนี้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับอิริยาบทมากนะคือจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้แต่ว่าอิริยาบทยืนกับอิริยาบทนั่งเป็นอิริยาบทที่มองได้ชัดจะนั่งคูบันลังตั้งกายทรงหรือไม่นั้นไม่สาคัญอะไรเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งสติระลึกอยู่ที่ากศพ ในชั้นแรกก็เพ่งพินิษฐ์พิจนารณาดูทํานองเดียวกับการดูกระสินคือดูไปเรื่อยๆหรือเหมือนกับดูลมเช่นเดียวกันเพื่อให้สติระลึกตามอยู่กับลมมาถึงตอนนี้ก็ให้สติระลึกตามอยู่ที่ซากศพ <c oughs> โดยไม่คิดถึงไปในเรื่องเหล่าอื่นเมื่อจิตใจมีความสงบแน่แน่ดูที่ซากศพมากพอสมควรแล้ว ก็น้อมนึกเข้ามาหาตัวเองในสามสถานะคือเอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนาติโตเป็นสูตรตายตัวในการกำหนดพิจารณาอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกับสูตรตายตัวในการปฏิบัติกรรมฐานที่ว่า <c oughs> จะต้องมีความเพียรมีสติมีสัมปช a n ะนั่นเองจะไปใช้กับอารมณ์กรรมฐานข้อใดก็ตามคือซากศพ กระดูกในลักษณะอะไรก็ตามให้นึกถึงในลักษณะนี้ก่อนว่าเอวังธรรมโมแม่ร่างกายของเราก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคือน้อมซากศพนั้นเข้ามาหาเรามองเราไปหาซากศพมองซากศพหมาเรามองเราไปหาซากศพเป็นลักษณะการน้อมนึกไม่ใช่มองด้วยตาส่วนซากศพนั้นก็มองด้วยตา ว่าน้อมนึกให้เห็นว่าแท้จริงแล้วซากศพกับเราก็อยู่ในสภาพอย่างเดียวกันเป็นธรรมดาประการหนึ่งแต่การธรรมดาในลักษณะนี้จะต้องเป็นความรู้เห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จ, จริงๆยอมรับเป็นธรรมดาจริงๆไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความขยะแขยงไม่มีความพ่อถอย ในการที่จะน้อมนึกเข้ามาเพราะบางทีถ้าหากว่าน้อมนึกหรือมนัสิการโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็วจะมีปัญหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติได้เช่นคราวหนึ่งมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมฐานแนวนี้ท่านเหล่านั้นเมื่อกำหนดพินิจพิจารณาไป<ๆ>ก็เห็นจริงตามนั้นว่าแม้เราก็จะเป็นอย่างนี้ เราเองก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแจะกําหนดไปกําหนดมามองเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วเกิดขยะขยงหวัดกลัวรังเกียจ ร, รังเกียจตัวเองมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีศพมาแขวนไว้ที่คอก็เกิดกลัวตัวเองจนถึงฆ่าตัวตายแล้วก็จ้างวานคนอื่นให้ฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมา ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการมนานัสสิการนั้นไม่แยบใายจะต้องเป็นมนานัสสิการที่แยบใครคือยอมรับความจริงว่าในโอกาสต่อไปนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้การเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งของเราจะมองอีกง่ายๆอีกแนวหนึ่งก็จะพบว่าเมื่อไปดูที่ซากศพแล้วซากศพก็คือศพตายเราก็คือศพเป็น การกําหนดพิจารณาแนวนี้ก็เป็นเหมือนกับคาถาบางสกุลเป็นที่ท่านใช้คําว่าบางสกุลเป็นแท้ที่จริงเป็นธรรมะในอารมณ์กรรมฐานแต่าชาวพุทธเรานํามาใช้ในแนวของาศาสนพิจีคือเมื่อชาวบ้านคนใดต้องการทําบุญฉลองอายุหรือเพิ่มอายุอะไรทํานองนั้นขึ้นมาก็จะนิมนต์พระไปชักหมาบางสกุล เรียกว่ามหาบังสกุลเป็นโดยผ้าขาวมาคลุมเจ้าภาพเอาไว้แล้วก็สายสิงสายสินไปผูกโยงมาจากบุคคลนั้นแล้วพระก็พิจารณาที่จริงบทพิจารณาสองบรรทัดที่ทรงแสดงไว้นั้นก็คืออารมณ์กรรมฐานประเภทนี้ใช้คำว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงนิเสศสติ จากลม้มลงเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อมีวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตถังวะกิลิงกันจะมีลักษณะเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เป็นการเทศเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างดีทีเดียวแต่เมื่อบุคคลนามาใช้ในชั้นของาศาสนพิธีแล้วก็เป็นเพียงาศาสนพิธีการที่จะมนสิการตามภาษิต หรือคำกล่าวเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายที่ผู้ที่ถูกพิจารณาและผู้ที่พิจารณาเองก็ตามแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าหากว่ามีการน้อมนึกโดยสายของกรรมฐานอย่างที่ทรงสอนไว้ว่านี้เป็นธรรมดามองให้เห็นเป็นธรรมดาจริงๆแล้วจะบรรเทาความรู้สึกในลักษณะที่เป็นตัณหาในอารมณ์ต่างๆ การบรรเทาตันหานั้นไม่ได้หมายความว่าบรรเทาเฉพาะตันหาอย่างเดียวเพราะในแง่ของการปฏิบัติหรือแง่ของธรรมชาติจะเป็นเรื่องของความดีความชั่วก็ตาง ม, มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามหลักของปฏิจจสมุปบาทหรือหลักของปัจจจการหรือจะใช้อีกคําหนึ่งว่าอิทับปัิจยตาปฏิจจสมุปบาทนั้นคือสิ่งที่อาศัย ซึ่งกันและการบังเกิดขึ้นคำว่าปัจจัยการคือสิ่งที่เกิดสืบเนื่องกันตามเหตุตามปัจจัยคือถ้ามีเหตุมีปัจจัยมันก็จะมีอยู่เรื่อยไปคล้ายๆกับน้ําในคลองหรือน้ําในทะเลเมื่อมีฝนตกลงมาในส่วนต่างๆมีน้ําในลานําธารมีน้ําในคลองมีน้ําในแม่น้ําก็มีน้ําในมหาสมุทรก็จะมีกันอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้เกเกิดขาดไปเช่นฝนไม่ตกน้ําในลําธารก็แห้งน้ําในคลองก็แห้งน้ํำในแม่น้ําก็แห้งในที่สุดน้ําในมหาสมุทรก็แห้งนี้ก็คือกฎที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ด้วยคำสามคํานังกล่าวส่วนที่ใช้คําว่าอิทัพปัจจยตาก็คือคําว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดจะมีลักษณะสืบเนื่องกันอย่างนี้ แต่ถ้าสิ่งนี้เกิดดับสิ่งนั้นก็จะดับตามไปเป็นการอิงอาศัยกันอยู่ในลักษณะนี้ดังนั้นการพิจารณาให้เห็นความจริงในร่างกายของคนอื่นซึ่งปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าแห่งตนเมื่อน้อมนึกเข้ามาหาตนเองได้ว่าตนเองก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ใหญก็จะสายไปที่บุคคลอื่นซึ่งข้อนี้ถ้าท่านทั้งหลายมองย้อนไปว่าพระพุทธเจ้าเราเริ่มใช้กรรมฐานนี้เมื่อไหรจะพบ ว, ว่าเริ่มใช้เมื่อเห็นเทวดทูตทั้งสามข้างต้นคือคนแก่คนเจ็บคนตายพระพุทธเจ้าทรงมองแนวนั้นพอเห็นคนแก่สอบถามในชนะในชนะกราบทูลให้ฟังนะครับสั่งถามว่าเวลาฉันมีอายุขนาดนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้ด้วย ชนะก็กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก anyway, um, so ็น้อมนึกไปเองต่อไปพิมพ์พาก็จะเป็นอย่างนี้พระพุทธบิดาก็จะเป็นอย่างนี้พระญาติวงก็จะเป็นอย่างนี้ทุกชีวิตทั้งหลายในโลกก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พอเห็นคนเจ็บก็ทรงมองโดยแนวเดียวกันน้อมนึกกมหาพระองค์ก่อนน้อมคนเจ็บมหาพระองค์น้อมพระองค์ไปหาคนเจ็บพอมาถึงคนตายก็มองในแนวนั้น นี่ก็คืออารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดที่ทรงปฏิบัติตั้งแต่ก่อนจะเสด็จออกผนวชมาแล้วแต่ความเข้าใจในตอนต้นนั้นเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าก่อนให้เรียนรู้ถึงความจริงจากสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าจนเข้าใจสิ่งนั้นและในที่สุดก็จะเชื่อมโยงเข้าหาสิ่งอื่นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นกับสิ่งอื่น ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยขันธาตุอายตนะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอย่างนั้นสิ่งอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ร่วมค้นความเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความเหตนนั้นจะต้องเข้าถึงใจเป็นปัญญาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิต คือลดละตัณหาลงไปเมื่อตัณหาลดลงไปส่วนกิเลสสายโทสะก็ลดตามไปกิเลสสายโมหะก็ลดตามไปด้วยทำนองเดียวกับกระแสน้ำลดโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันผลจากการพิจารณากรรมฐานในแนวนี้ในระดับหนึ่งนั้นเจอพบ ว, ว่าเมื่อบุคคลเกิดความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทอะไรต้องการที่จะทำลายล้างบุคคลอื่นแต่ภายในใจของตนมีความรู้สึกว่าคนเราในที่สุดก็จะต้องเป็นซากศพหรือจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ไอคนที่เราจะฆ่าเขาก็ต้องตายแม่เราเองก็จะต้องตายจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ตายเพราะความตายนั้นเป็นธรรมดา ไม่มีใครสามารถที่จะร่วงพ้นไปได้แต่ว่าการฆ่าคนอื่นนั้นเป็นบาป ท, ที่ตนเองจะต้องชดใช้จะต้องรับผลกรรมเช่นนั้นในที่สุดคนก็จะจุดความคิดลงไปทอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อตัณหาลดดังกล่าวแล้วอวิชชาเกิลดด้วยโมหะเกลดด้วยก็มีเหตุผลที่จะเหนี่ยวรัง้งจิตใจของตอนเองเอาไว้ พอไปพบกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่ใกล้ตัวเองหรือแม้แต่จะไกลตัวเองโดยเฉพาะในด้านที่เป็นบุคคลเพราะเกียรกระทากตกุศก็จะมองเห็นในสภาพนั้นว่าเป็นเรื่องของธรรมดาไม่มีใครที่จะล่วงพ้นไปได้ที่สำคัญก็คือต้องแก้ปัญหาที่ใจตนเองได้ข้อนี้พงสังเกตว่าเป้าหมายในการทรงแส ด, แดง สติปัฏฐานในสุดหรือมหาสติปัฏฐานในสุดที่ทรงใช้คำว่าโสกะปริเดวานังสมาติกมายะเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะคือความโกความคล่ำครวญพิริพิไรรำพันซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลถ้ามองเจาะลึกลงไปว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกเช่นนั้น บุคคลก็จะพบความจริงว่าการที่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาเพราะไปกำหนดหมายวัตถุทั้งหลายในแง่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะความโศความร่าไรราพันความทุกข์ความเสียใจนั้นส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นมาจากปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของอันเป็นที่รักแสดงให้เห็นว่าจิตใจของบุคคลไม่ยอมรับธรรมดา ที่ทรงใช้คําว่าแม้เราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คนนี้เขาก็เป็นธรรมดาแม้เราก็จะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คนอื่นก็เป็นธรรมดาญาติพี่น้องของเราก็เป็นเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพื่อชนคนที่รักสนิทชิดชอบอย่างไรก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ถ้าปรับใจเช่นนั้นได้มันก็ยอมรับความจริงว่า น, นั้นคือธรรมดาที่จะต้องเกิดไม่เกิดวันนี้ก็ต้องเกิดวันอื่นแต่การจะไม่เกิดนั้นไม่มีเพราะธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่พูดแล้วก็เหมือนเหมือนเรื่องทำง่ายเอาก็จริงกลับเป็นเรื่องที่ทำยากอย่างจริงเพราะอะไรพระสายใหญ่ของสีนเนอหาสายใหญ่ของตันหาความผูกพันรักใครส่สนิทสนม ซึ่งบางครั้งบางคราวบุคคลมองไม่ออกโดยซ้ำว่าการที่เป็นเช่นนั้นเป็นการถนอมตัวเองหรือถนอมบุคคลอื่นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะบางครั้งบางคราวญาติพี่น้องที่จากไปนั้นถ้าประกอบกุศลกรรมความดีไว้เป็นนั้นมากเป็นอันมั่นใจได้ว่ามีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าซึ่งในที่นี้ก็น่าจะอนุโมทนาชื่นชมยินดี ก็ในหลักการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเวลาคนได้ดีท่านสอนให้มีมุติตาให้พรอยชื่นชมยินดีว่าเออเขาไปได้ดีมีสุขแล้วค้นทุกไปเรายังต้องทนทุกข์ในโลกมนุษย์ต่อไปก็รีบสร้างความดีไว้เพื่อจะได้รับความสุขเช่นเดียวกับเขาเป็นต้นแต่ก็จริงแล้วเราเกิดโสกะปริเทวะอโสกปริเทวะเหล่านั้นบางทีเป็นการถนอมตัวเอง แทนที่จะเป็นการห่วงใยเป็นการถนอมบุคคลดึกบางครั้งบางคราวจิตใจของบุคคลชอกช้ำเพราะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้พอปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นก็มัวแต่ถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแท้ที่จริงไม่ใช่ทำไมจะต้องเป็นเราเรื่องอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างที่ว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนจัจโตสามคบ แม่กายเราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็คือการเข้าถึงกฎของธรรมชาติธรรมดาในสิ่งเหล่านั้นการกําหนดพิจารณาในชั้นนี้อํานวยผลให้เกิดขึ้นในลักษณะการบรรเทาความโศกความร่ําไรราพันความทุกข์ความเจ็บใจซึ่งหลักความคิดจะช่วยให้เกิด การยอมรับความจริงในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวเป็นความคิดพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเช่นว่าเมื่อประสบกับปิยวิปโยคคือบุคคลอันเป็นทีิรักพลัดพรากไปในขณะนั้นจิตใจถูกความโศกเข้าครอบงำ <c oughs> บุคคลอาจจะตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองสักสองสามคำถามหนึ่งถามว่าอะไรโศก ทำไมจึงโศกเพราะญาติตายน้องตายพี่น้องตายพ่อแม่ตายเป็นต้นสองคำถามแรกนั้นตอบได้แต่สามคำถามที่สามว่าโศกไปแล้วจะได้อะไรใครจะได้อะไรญาติพี่น้องเราจะได้อะไรไม่มีใครตอบเพราะท่านไม่ได้อะไรเราจะได้อะไรก็ได้โศกได้ร้องไห้ได้เสื่อมสุขภาพ ไปทรมานจิตใจตัวเองย่ำยีตัวเองเบียดเบียนตัวเองก็พอจะตอบได้แต่ปัญหาว่าทำอย่างนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อิงอาศัยซึ่งกันและกันทั้งหมดข้อธรรมะที่ทรงสอนไวโ้โดยโดยนัยะต่างๆนั้นจะพบว่ามีลักษณะเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือ ในการที่จะทำไม้ชิ้นหนึ่งให้เป็นไม้ที่เกิดประโยชน์พระอริยพระธรรมนั้นมีลักษณะขัดเกลีาวถ้าหากว่าท่อนไม้แกเป็นสุงมาก็ต้องใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งเพราะสภาพไม้เปลี่ยนแปลงไปก็ใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วก็ใช้เครื่องมือเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับแต่มุ่งเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเอาไม้ท่อนนั้นเองใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นมุ่งเน้นไปที่การขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจส่วนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทรงแสดงสั่งสอนไว้นั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะให้ควรในโอกาสนั้นแต่ผลบรรจบจะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกัน เกิดขึ้นในลักษณะเหมือนกับชราธ ร, รมมหิจรัง์อนัตจิตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้นั่นเองปัญหาสาคัญว่าจะเริ่มจากจุดไหนในกรณีนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสําหรับคนซึ่งมีตัณหาจริตที่หยาบเกินไปไม่ยอมคลายแม้มองแยกกายเป็นาธาตุก็ยังไม่เห็นเลยก็ให้ดูซากศพเสียเลย เพื่อสามารถที่จะถ่ายถอนได้ก็เรียกว่าถ้าเป็นท่อนไม้ก็เป็นท่อนไม้ที่มีตะปุ่มตะปา ม, มากก็ต้องเอาขวานใหญ่ลงมาทีเดียวแต่เป็นการถากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วดังนั้นนวสีวสิกาภพภะที่ทรงจําแนกไว้โดยประยายต่างๆนั้นจะพบว่าเราก็มีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ปรากฏในที่ต่างๆได้ซึ่งอาจจะเรียนจากซากศพของสัตว์ก็ได้ต่อแต่นี้ไป ก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป